เอ่อชวนคุยในวันที่เรามาคุยกันนั้นกันวันนี้อาตมาพระไพบูลย์ๆเลยเรื่องเบสิกเบสิกพื้นฐานพื้น ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากได้เป็นเรื่องที่ยากแล้วก็ไม่ได้เป็นมีประโยชน์น้อยเป็นเรื่องที่ แม่ลักทรัพย์ไม่ได้เอาทรัพย์ที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้เนี่ย จะเข้าใจว่าโอ้ฉันจะรักษาศีลนี้ต้องให้พระให้ซะก่อนนะจะจะ 7 วัน ฉันจะทําการที่ไม่ลักทรัพย์เนี่ยอยู่เป็นปกติบางคนเนี่ยไม่ได้ทําด้วยเพราะว่าคือทําอย่างเป็นนิ่งๆๆคุณได้ล่ะสิ่ง 1 ใน 5 ประการ ไพบเวน 5 ประการที่พระโสดาบันจะ 1 ประการแล้วนะโหอะไรบาปกรรมอย่างเช่นว่าการลัก คือแค่เราตั้งใจไว้ในการที่จะทําเดี๋ยวเนี้ยยังเป็นปกติยังหลายๆคนก็ไม่ได้ฆ่า อ่ะ uh, player ที่จะพูดเล่นพูดตลกปกฮาไปอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือว่าศีลคุณด่างละขาดปลายใช่มั้ยคือยังไม่ก็เรียกว่าทําอย่างชนิดที่ว่าไม่เป็นปกติศีลด่างไปขาดไปบ้างทะลุไปบ้างเราก็ตั้งใจ อย่างเงี้ยอยู่เป็นปกติไอ้ที่ปกติปกติเนี่ยมันมีกี่อย่างมี 5 อย่างเท่าเป็น 5 อย่างที่ง่ายๆทําได้เห็นผลจริงผล เหตุผลอะไรเอ่อผมทําผิดเองแต่คุณไม่ได้ยกข้ออ้างนั่นนี่โทษคุณอื่น เป็นข้ออ้างเพื่อที่จะให้โทษผลจากตัวเองแต่ใครเป็นคนๆเอาไว้แต่ๆ อยู่เป็นประจํานั้นคือเราไม่ได้เป็นเทพในโลกมนุษย์มันก็มีอ่ะขนาดคนที่เป็นราชาๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้น เราถูกผัสสะที่น่าพอใจเรา 2 ทาง 1 คือคุณ 1 หรือ 2 คุณจะแสวงหา 1 หรือ 2 ทางนั่น 1 หรือ 2 ทางเอา เอ่อภาษาอะไรต่างๆที่ไม่น่าพอใจแล้วโอ้โหอันนี้แย่เลยนะเราจะยิ่งเป็นผู้ที่มี พระฤชาบอกว่าธรรมวินัยของพระตรงเฮ้ยคนหนึ่งเค้าโกงกันคนหนึ่งเค้าพูดกันอย่างเงี้ยตลกโปกโอ้ยก็ทําเถอะนั่นแล้วถ้า เป็นหลักเกณฑ์อัตมรรคเป็นมาตรฐานของการทําจิตของการทํางานของเราและถ้าๆละไหนถึง โอยถ้าทําอย่างๆก็ต้องเหลี่ยมอยู่นิ่งนิ่งเงียบๆ แล้วเราต้องทํายังไงล่ะถ้าคนไม่ดีมีอํานาจอยู่ในที่ๆก็แล้วแต่เนี่ยเราก็มาอนุญาตให้เราเป็นคนทําไม่ดีด้วยภรรยา กิวัตต์กับตมายชั้นจะต้องมาอดทนกับไอ้หมอนี่ฉันก็ทําความไม่ดีบ้างฉันก็โกงบ้างด่าบ้างมีผัวน้อยบ้างอย่าง ยังจะโกงก็ไม่โกงจะด่าก็ไม่ด่าจะโกหกเอาเลิกแล้วกันๆในบางครั้งเนี่ยเวลากระแสมันมัน หลีกออกจากกลวงต่างๆเหล่านั้นพุทธเจ้าบอกไว้แล้วนะว่าเอ่อมารเนี่ยมันจะวางกับดัก วางกวางล่อเนื้อตัวเมียเอาไว้ตรง 11 12 สุนัขนะหมานะมันติดสัตว์แล้ว อ่าข้าวนี่อดเป็นหลายๆสัปดาห์นะตามตัวเมียไปแล้วก็ห้าม คือผู้ชาวถ้ามันมีสิ่งที่มากระทบมากถึงการหลีกออกนะหลีกออกจากๆเนี่ยเรา เช่นเดียวกันเราอย่าไปอยู่กับกระแสน้ําแรง นะเราค่อย 10 นาที 5 นาทีเพิ่มเป็นครึ่ง 10 นาทีอย่างจะน้อยไปๆทําเอานะก็จะมีผลเป็นความดีๆ บางทีมันมันมันลวงมันมันหลอกเราเฉยแต่เราคือมันเนี่ยมันจะวางกับดัก 2 รูวาง 2 ใบนี้ตาหูจมูกลิ้นกาย มุขแปลว่าปากทางสู่อบายถ้าเราตกลงเราหลบซะเราหนีซะเราหลีกซะแล้วไปทางดีแล้ว มาคอยที่จะมาล่อลวงล่อลวงคือให้เราทําที่รู้นั้นไล่ไปรู้ได้ไงว่านี้ดีหรือไม่ดีบางคนนี่เพลินลอยไปตามเลยเพราะเราจึงต้องมี ไปให้ถูกไปให้ดีแล้วเราเชื่อว่าเรามาถึงชุมทางอย่างถูกต้องถ้าเลี้ยวพลาดนิวนไปไกลเลยนะนานมาก sen bà